เราทุกคนต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสานาอย่างแรงกล้าก็จึงได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสานานี้ผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมรคือฝึกฝึกฝน กายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้พนพากันรู้ตัวในเบื้องต้นน่ะเรามีศรัทธากันอย่างแข็งแรงแล้วถึงท่ามกลางก็พากันรักษาศรัทธาอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อม รักษาไปจนว่าตลอดชีวิตนู่นนะอ่าศรัทธายังไงอ่ะศรัทธาความเชื่อในพระปัญญาตัดสรุของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เจ้าได้ตัดสรุแจ้งซึ่งพระนิพพานจริงๆพระองค์ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยจริงๆ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 เช่นเป็นคารืหัดอย่างนี้ก็เชื่อมั่นในข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนานี่เมื่อผู้ได้ลงมือปฏิบัติตามให้สัมพันธ์กันไปทั้งสามประการนี้แล้วก็ผู้นั้นก็จะได้บุญมากจริงๆและสามารถขจัดบาปอกุศลออกจากกายวาจาใจได้จริงๆแต่ต้องทำจริงทำเล่นไม่ได้เรื่องมันนะ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 ถ้าว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้จริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทําตามคำสอนของพระองค์ได้เลยเพราะที่เรามีความแน่ใจในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเราเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสรู้จริงๆ แล้วพระองค์ก็ได้ตัดสรุปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเมื่อพระองค์ตัดสรุแล้วพระองค์ก็ยงมาทบทวนดูว่าอันที่พระองค์ได้ตัดสรุนันนะก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นฉากแรกเลยประเดียวแล้วก็ทรงบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อ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 มันดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะ <c oughs> เพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันก็ไปถึงจิตนู่นนะนั่นไงหายใจออกมาจิตก็รู้อย่างนี้นะมันรู้อยู่ทุกระยะไปเลยถ้าหากว่าเรามีสติควบคุมจิตนั่นนะ่ะไวให้แน่วแน่แล้วนะเพราะฉะนั้น จิตนี้มันเมื่อมันไม่ได้คิดไปทางอื่นแล้วมันก็จึงค่อยสงบลงโดยลำดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่ า, าได้บรรลุปสมะฌานทุติยฌานตติยฌานะตุทะฌานไปโดยลำดับนีน่อันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าอันนี้นะพระองค์ได้บรรลุฌานนั้นแล้วอาศัยฌานนี่แหละเป็นบาตของวิปัสนาบนี เมื่อพระ อ, องค์เจริญวิปัสนาไปก็ได้ตัดสรุปในยานที่หนึ่งคือระลึกชาติหลนหลังได้ก็พระ อ, องค์นับตั้งแต่นี่ถอยหลังคืนไปนะพระ อ, องค์เกิดที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรดีชั่วอย่างไรมีผิวพันวั น, นะอย่างไรอายุยืนอายุสั้นเท่าใดมือนี่ทรงรู้แจ้งไปหมดเลยนั่นแหละ เมื่อสิ้นสงสัยในความเกิดของพระ อ, องค์แล้วก็ทรงหยุดพักพอสมควรแล้วก็ทรงเจริญวิปัสนาต่อพิจรารณาธาตุขันธ์ของพระ อ, องค์แล้วก็ทรงอธิษฐานถึงาธาตุขันธ์ของสัตว์อื่นก็ทรงจัดสรุญานที่สองเรียกว่ารู้จากจุ ต, ติ <c oughs> รู้จักความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายได้โดยเจีมแจ้งไม่ขัดข้องเลยกระสัตทั้งหลายนั้นสรุปแล้วเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนี่ทรงรู้แจ้งอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นก็เพราะเหตุนั้นแหะเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์จึงสอนให้คนละ พิธีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นนะร่การบวงสรวงบูชายันต่างๆนาๆน า, น า, น า, นาเพราะว่ามันมันไม่ใช่พิธีกรรมอย่างนั้นไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่ไม่ไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขคนเท่าไหรมันจะทำให้คนเราเป็นทุกข์ทำทให้ผู้ที่กระทำนั่นแหละเป็นทุกข์ก็เช่นอย่างว่าไปฆ่าสัตว์บูชายัญอย่างนี้นะ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 คลายออกไปเพราะมันได้ที่พึ่งแล้วนี่นั่นเนี่ย <c oughs> อันที่พึ่งภายนอกนะั่นก็อย่างว่านะเงินทองเข้าของลาบยศสนเสริญนนะ่มันไม่แน่นอนเลยมันให้เกิดความยินดีไปชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุญกุศลคุณพระรัตนไกลนี่มันเมื่อเมื่อใจของเรายัางเลื่อมใสอยู่ตราบใด ยังสำรวมใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี่อยู่ตราบใดบุญคุณนี่ก็ไม่ได้เสื่อมจา ก, กจิตใจของผู้นั้นบุญคุณนี่ก็ย่อมชโลมจิตใจของผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้คลายทุกข์คลายร้อนออกไป <c oughs> เพราะว่าบุญมันมีจริงนี่เพราะผู้นั้นได้ทำความดีให้เกิดมีแก่ตนจริงจริงนี่ ไม่ใช่ว่าไม่มีเว้นเสียแต่พู้นั้นไม่ได้ทำความดีอะไรอ่ะนั่นแหละมันถึงถึงแม้จะระลึกถึงบุญบุญก็เกิดไม่ได้เนื่องจากว่าตนไม่ได้ทำไว้มันจะเกิดได้ยังไงเล่านั่นแหละกระพาะพระองค์ตัดสรุแจ้งแทงตลอดอย่างนี้แลจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เชื่อกำเชื่อผลของกรรมที่ตนกระทํามาอย่าไปเชื่อสิ่งอื่น hmm. ขั้นเมื่อพระองค์สิ้นสงสัยในความเกิดความตายความสุขของความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทรงพั ก, กจิตไปชั่วระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ทรงเจริญวิปัสนาต่อคราวนี้พระองค์เจ้าทรงค้นคว้า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 ชื่อว่าสังขารอย่างนี้นะสังขา น, นี่แปลว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่นะเรียกว่าสังขารที่เป็นทัางนี้ก็เพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยก็หมายเอาจิตดวงเดียวนี้แหละมันไม่รู้แต่เบื้องต้นนนออานาะมันไม่มีความรู้ความฉลาดเอเดนั้นมันถึงคิดทั้งดีทั้งชั่ว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 เมื่อมันมาถูกต้องแล้วถ้าถ้าหากว่าเรื่องดีมาสัมผัสกับจิตนี้จิตก็เกิดความยินดีพอใจขึ้นมาก็เรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละพัสธะนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาถ้าหากว่าจิตนี้ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจก็เดือดร้อนขึ้นมาดี๋ยวนี้จิตก็ได้เสวยอารมณ์อันไม่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 ในสิ่งที่มันพอใจนั้นมันก็ดำริตริตรองอยากได้ขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาเกิดความรักความอะไรขึ้นมาอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานั่น <c oughs> นะวันนี้ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทาน <c oughs> เมื่อความอยากมีในใจแล้วหากว่าไม่สามารถจะละความอยากอ น, นั้นได้ มันก็ยึดถือเอาเรื่องที่มันอยากนั่นแหละไว้ในใจเลยมันอยากได้สิ่งใดมันก็ยึดถือเอาไว้วิตกวิจาร์ทำอย่างไรหนอจึงจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนอะไรพูนี้นะนั่นเองเมื่อมันมีความยึดถืออย่างนั้นมันก็ต้องวางแผนเนี่ยเสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นการสเสวงหานั่นเมื่อสเสวงหาโดยทางชอบไม่ได้แล้ว ก็เสวงหาเอาโดยทางที่ไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคนหมายอ่ะก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วออกไปแบบ น, นี้นะนั่นแหละก็เพราะความยึดมั่นถือมา่นในใจนั่นแหละมันเป็นเหตุท้าได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นในจิตใจของของตนอ่ะ <c oughs> เป็นอย่างนั้นบัด น, นี้เรา ท่านกล่าวไว้ว่าอุปทานนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดภพนี่ก็หมายถึงกรรมภพนั่นเองแหละอุปทานเมื่อมันมีแล้วเป็นเหตุได้ทํากรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมานั่นแหละบันนี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็นําจิตวิญญาณซึ่งละออกจากรก่างอันนี้ไปแล้วนะไปก่อภพอก่อชาติให้เกิดใหม่อีกไปก่อภพอหมายเขาว่างั้นแหละถ้าว่า ใจมันยึดกรรมชั่วไว้มากอย่างนี้นะกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นถ้าหากว่าใจนี่มันยึดกุศลกรรมดีใส่ตนไว้เวลาชวนจะตายระลึกถึงบุญกุศลความดีได้มากกลัวความชั่วอย่างเงี้ยนั่นแหะบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหานะรองรับ อ, อดุดมคตินี้ ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญที่ท่านเรียกว่าสวรรค์น่ะนั่นแหละนี่ท่านจึงเรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นปจัจจัยกเกิดพบบ่านี่เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นสัตว์นรกไปสวยผลวิบากกรรมที่ตนกระทานั้นไปเมื่อเมื่อหมดบุญกุศลหรือหมดวิบากกรรม เหล่านั่นลงไปแล้ววันนี้ก็ก็เคลื่อนจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดเคลื่อนจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในโลกนี้เนี่ยอ่าก็เลยเรียกว่าภพเป็นปัจจัยบังเกิดชาติเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเกิดชาติอย่างว่าคนไทยมาเกิดอยู่ในผืนแผ่นดินนี้เราก็สมมุติกันว่าชาติไทยอย่างนี้นะนั่นแหละมันก็มาจากภพนั่นแหละ ถ้ไม่มาจากนรกก็มาจากสวรรค์หรือไม่ฉะนั้นก็มาจากมนุษย์นี่แหละตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็มีอ่าเป็นอย่างนั้นมีเชนนั้นก็มาจากกำเนิดเปดรตกำเนิดอสุรกายกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนอ น, นี่มันแล้วตั้งแต่เหตุปัจจัยของมันนะอ่ะอ่ามันนี่เมื่อ มาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอย่างนี้แล้วชาติก็เป็นปัจจัยบางเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัตอุปายาตนี่เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ท่านว่าเป็นอย่างนี้แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปแจ้งปัจจัยแห่งชีวิตอ่ะมันสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละ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 ทรงเพ่งพิจารณาความรู้ซีบันนี้นะเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับไปทีแรกก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้ทุกเกิดไม่รู้จักความดับทุกขไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขอันนี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสีบันนี้เมื่อพระ อ, องค์มากําหนดรู้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 ควรละตันหาประเภทนั้นก่อนอื่นทั้งหมดเลยอ่ะแต่สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ละมาแล้วอันนั้นนะแล้วเวลาพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้พุทธบริษัทละตันหาอันมันจะบันดาลให้ไปทําบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยอะเพราะว่าเ <c oughs> มื่อบุคคลไม่ละตันหาประเภทนั้นน่ะจะไปละตันหาที่ละเอียดไปกว่านั้นไม่ได้มันละไม่ได้หรอก มันจะละได้ยังไงมันไปเสวยทุกทนทรมานอยู่ในนรกในเปลดในอสุรกายในะสัตว์เดรัจฉานนู่นเพราะว่าตนาาลูกอำนาจแก่ตัณหาความอยากแล้วไปทำบาปเหล่านั้นนะ เ, เป็นอย่างนั้นกระทรงรู้แจ้งว่าตัณหาความ้าเยอะทะยานอยาก เ, าเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นสิ่งควรละทาไมละ มันก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้ลอดพระองค์ก็กำหนดละตัณหานั้นไปด้วยอำนาจแห่งพระอริยมรรนแเละเมื่อเมื่อละตัณหาตัณหาดับลงไปแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกข์ดับไปแล้วนี่นั่นแหละตัณหาดับที่ไหนทุกข์ก็ดับอยู่ในที่นั้นแหละตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั้น ตัณหาดับลงที่ไหนทุกก็ดับลงที่นั้นนะกระสงรู้แจ้งว่าถ้าว่าพูดอย่างภาษาเราตรงไปตรงมาแล้วก็ความอยากของจิตนั่นแหละมันดับลงนะนั่นนะเมื่อจิตไม่อยากจิตไม่หิวอะไรต่ออะไรแล้วอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่มีทุกแล้วไม่เป็นทุกแล้วนั่นก็รู้ละอ๋อที่ที่ดับทุกมันดับตรงนี้ดับ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 สำรวมระวังกายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธปรญยัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็สำรวมอินทรียหกคือตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรียถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ศีลก็เศร้าหมองเพราะว่าเมื่อใจเศร้าห ม, มองแล้วศีลก็เศร้าหมองแหละ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 ภากรรมฐานทั้งหลายส่วนมากก็องค์เจ้ากระทรงสแสดงออกไปจากอัตภาพร่างกายนี้เองเไม่ใช่อื่นไกลอะไระแล้วกับคุณธรรมบางอย่างเช่นพโมวิหารสี่อย่างนี้แหล ะ, ะก็ให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นจนว่าใจสงบลงเมื่อเราเจริญเมตตาอย่างนี้นะเพ่งเมตตาไปมาใจมันอ่อนมันน้อมลง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 เอาทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินน น, นานวันไปไ ม, มันก็นเกิดเน่าเปื่อยผุพังไปอส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอย่างนี้นะแห่งดูแล้วก็เห็นภาพอันนั้นเป็นไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าอสุภานิมิตะผู้ราคะจริตต้องมันเพ่งอสุภานิมิตนี่บ่อ ย, อยๆนี่ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไปไม่รอดเอกัน